พุทธโอวาสก่อนปรินิพานคราเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึมต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุนพระอบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระโลกกนาฏตรัส ด, ดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระนนทก็คงเฉยไม่ได้ทูลอะไรเลยความพิจตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาสียหมดสิ้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทําให้ท่านลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระนนท์เฉยอยู่ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเส้อบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอนนท์จึงหลีกไปพักผ่อนณโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณบัดนั้นพระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตการนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึงสี่สิห้าปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงท้อพระทัยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่า แต่อสายพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมะเพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เป็นเปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำดีประรูปวปาสคือคํากล่าวต้วงจาบล่วงเกินจากพาหิระลัตถิที่จะพึงมีต่อพระพุทธธรรมคําสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใด พระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้นก็แลบัตดนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนาวาดของพระองค์แล้วเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปรงอายุสังขารคือตั้งพระไถยแน่วแน่ ว, ว่า พระองค์จะปรินิพานในวันวิสาขาปุรณมีคือวันเพ็ญเดือนหกอันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามห่มาแท่งทึบจากหน้าผาลงสูส่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นฉันใดการปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไถว์ว่าจะปรินิพานของพระอนาวรณิยานก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปลวนแก่โลกธาตุทั้งสิ้น มหาปัทภีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็าปานกันลูกษาขาวันไหวควายแกว่งด้วยแรงวายุโบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีน้อยคร่ำครวญปริเทวนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งณเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มดุดเสือลำแผนซึ่งไหลด้วยเลือดสด ปรักษาชาตร้องระงมสนัน่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอนุลสังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุวิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอนลเอ๋ย อย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูตตัดรูมุลธรรมจักร์ p r งอายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระนลทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้า p r o พระชนมายุสังขารเสียแล้วความสะเทือนใจและความว้าเหวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหนือประมาณที่ท่านบีในพระเชตพาดาท่านหมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์จงดำรงพระชนม์อาชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอนุนก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโศกาดูนท่วมท้นหทัยอนุนเอ๋ยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลลีลาแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพัก เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นนยะมาไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ไม่ได้ทูลเราเลย เราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆ น, นั้นถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเรามิอาจกลับใจได้อีกพระศ า, าสดาหยุดหยุ่ครู่หนึ่งแล้วตรัสตอบไปว่าอานน์เธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งหน้าภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรง้งอันมีนามว่าคิดจกูดภายใต้ภูเขานี้ มีถ้ำอัญคจรนามชื่อสุกรขาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตันหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าธีฆะนขะพระไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วธี่ะนาขะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่ จึงพูดไปเปลยเป็นเชิงกระทบกระทียบว่าพระโคโดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรไม่พอใจความคิดเห็นอ น, นัน์ของเธอเสียด้วยอาน o น์เราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอเนกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไป จนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานนท์เอยนยณภูเขาคิจกูดดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเรานี้ถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอก็หารู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดไม่อานนท์ต่อมาที่โคตมะนิโครดที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบัณ์ใกล้เวภารบันพศ ท, ที่กาลศีลาข้างภูเขาอีสิคิลิ ซึ่งเลื่องลือมาแต่โบราณการว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระัติเดกพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปณที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบันพศภูเขากลืนกินฤาษีที่เงื้อมเขาชื่อสปิโสนาธิกาใกล้ป่าศีตะวันที่ตะโปธารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแคว้นมคตที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัท ที่มัทตกุจิมีคาถายวันทั้งสิบแห่งนี้มีรัตตเขตแหวนราชครื้ต่อมาเมื่อเราทิ้งราชครื้ไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสุเวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่งเราก็ให้นยะแกะเ่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุเทนเจดีสตัมพะเจดีโคตมกะเจดีพระหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวานเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่นบัดนี้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 แตยังเหลือเวลาอีกสามเดือนบัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องถานเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาดกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอ่ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้น เป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะและแล้วพระจอมาศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุกขามและโพาคานครตามลำดับในระหว่างนั้นทรงให้อวาสแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตราริยธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาบิมุิและิมุตติญาทณทัศนะเป็นต้นว่า ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายศินเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพไม่ได้เป็นต้นว่าพึกษาลดาวันมหาสินขอนและสัตว์จตุบทเทววิบารนานาชนิดบุคคลผู้มีศินเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปรง่งเหมือนเรือนที่มีบุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวน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 บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโลกธรรมแผดเผากระพือพัดสัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื่อเฉือนกิเลสอาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ปานกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุจไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอัมภัยขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจอันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้ามองไปเพราะคุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิดศีล ส, สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องออกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิม จิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงดูก่อนพิกษจทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปีติ ป, ปราโมทอันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบคุมทรัพย์มหมาหาอะไรเปรียบไม่ได้อิ่มอาบทราบซ่านด้วยธรรมตนของตนเองนั่นแหลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสารสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาด ย่อมรู้ด้วยตนเองว่าบัดนี้แขนของตนได้ขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสคืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระสถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด มักมีองแปดนี่และเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมาักมีองแปดนี้อันเป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจกพ้นจากมารและบ่วงแห่งบาร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตันหาอุปาทานความทยานอยากดิน้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังแต่แต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าไม่หลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปรงแจม่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใด ยิ่งกว่าการปล่อยวางและการสํารวมตนอยู่ในธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทัน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 เรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร้านร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในข่าวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบนว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหิน วิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวางดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความกลับกลอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่ในการนับถือศาสน า, ศาด้วยอาการดังกล่าวนี้โลกจึงเป็นเสมือนระ ง, งมอยู่ด้วยพิษไข้อันเรื้อรังตลอดเวลาภายในอาคารมหึมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้น มักบรรจุเต็มด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบอยู่โคนไม้ได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้การแข่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกวนกวายเสยนาบดีดื่มน้ําด้วยภาชนะทองคํา กับคนจนๆดื่มน้ําด้วยภาชนะที่ทําด้วยกะลามะพราะ้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันนี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสําคัญอย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ้อาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่า ชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวายดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้จึงแย่งลาบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันจิกตีกันทาลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่าย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 หน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเธอเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็ยนขึ้นมากเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจาของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับปรับและแปรผันทาไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคม จนแทบจะกระดิกกระเดียตัวไม่ได้จะทำอะไรจะคิดอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชีวิตที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อผูกมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์ จะสู้สัตว์เนรชานบางประเภทไม่ได้ที่มันมีเสรีภาพที่จะทําอะไรตามใจชอบอยู่เสมอดูอย่างเช่นฝูงวิหกงกกามนุษย์เราจเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้คือเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติมันเป็นภาระหนักยิ่งของมนุษยชาติสัตว์เนรชาญตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติ คงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกินนักพรตอย่างพวกเธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกามคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปได้อีกมากแต่การกินอย่างนักพรตกับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนานแน่นอยู่ด้วยโลกิยาวิสัยบริโภคเพื่อยุกามให้กำเริบจะต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติ ไม่ใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสำนักความจริงร่างกายคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศและแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทาเหมือนโครหรือควายซึ่งเหนื่อยหน่ายตอแอกและไถ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 ผู้ยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจควบคุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยใดและเพศใดดูก่อนพิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้หลงไหลยอยู่ในโลกิยารมผู้เพลินอยู่ในความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพสมบัติชาติตระกูล ความหรูหราฟุ่มเฟื่อยยศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใส่อำนาจและความทนงตนทั้งหมดนี้ทําให้บุคคลมีในตาฝ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัตยธรรมความเมาในอำนาจเป็นแงรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทําให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ไมแยแสยต่อเสียงเรียกร้องของศิลธรรมหรือมโนธรรมใดๆมันค่อยๆระบายจิตใจของเขาให้ดำมืดไปทีละน้อยละน้อยจนเป็นสีหมึกไม่อาจมองเห็นอะไรอะไรได้อีกเลยหัวใจที่ร้อนร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งร้าให้ร้อนร้อนมากขึ้นด้วยความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนวัตถุอันวิจิตรการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทยานอยากโหมแรง กลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีเสียงเตือนและเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเตรียมอย่างน่าวิตกดูก่อนพิสุทั้งหลายกลิ่นดอกไม้กลิ่นจันไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้ แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั่นแหลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมคนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทุกทิศกลิ่นจันทรแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิน่นศีลไม่ได้กลิน่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือ เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วพึงเป็นผู้ทาตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ตื่นอยู่มิได้หลับเลยย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วย่อมรู้สึกว่าโยตหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัทธรรมยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 และนำดินเติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคทุ่งเทียมเคลียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเคลียนติดตามไปทุกขนทุกแห่งสัตว์โลกเมื่อเกิดมาก็นําทุกประจําสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเคลียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกปีก้าวดูก่อนพิกษุทั้งหลาย เมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตันหานุใสขึ้นเสียจากดวงจิตความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแน่ๆภิกษุทั้งหลายน้ำตาของสัตว์ที่ต้องร้องไห้เพราะความทุกข์โทมนัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะสงสารนี้มีจํานวนมากเหลือคณาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัตถีเล่า ถ้านำมากองรวมกันไม่ให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปฐพีนี้เกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ที่ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสะลุดจิตยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำบนกองกระดูกนอนอยู่บนกองกระดูกนั่งอยู่บนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ว่าพบไหนไหนล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งสิน้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขายกลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายทางสองสายคือกรรมสุขันลิการุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยกรรมสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฐานุโยกการทรมานกายให้ลําบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสีย ควรเดินตามทางสายกลางคือเดินตามอริยมรตมีองค์แปคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพชอบความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบไม่มากกา น, น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง สิกุทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความพิไรราพันจนน้าตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจหมายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุป การยึดมั่นในขันท่าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตตัณหาอย่างหนึ่ง ดิ้นอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกเพราะาตันหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกวิภะวะตันหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์ขั้นบูรฐานภิกษุทั้งหลายการสลัดทิ้งโดยไม่เหลือซึ่งตันหาประเภทต่างๆดับตันหาคลายตันหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกวันนิโรธคือความดับทุกข์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบอยู่ทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งกำลทราบด้วยยาพิษแล้วญาติมิตรเห็นเข้าเกิดความกรุณาจึงพยายามช่วยถอนลูกศร น, นั้นแต่บุรุษผู้โงอกเขาบอกว่าต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหนลูกศรทำด้วยไม้อะไร แล้วจึงค่อยมาถอนลูกศร อ, ออกภิกษุทั้งหลายปุรุษผู้นั้นจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกศร อ, ออกเสียทันทีชำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ ย, ยาและรักษาแผลให้หายสนิทหรืออีกอุกปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันไม่ควรที่วิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาศีรษะตนทั้งทงที่ไฟลุกไหม้อยู่ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายสังสารวัตรนี้เต็มไปด้วยเพลิงทุกนาณาประการโหมให้ร้อนอยู่โดยทั่วสัตว์ทั้งหลายยังวิ่งอยู่ในกองทุกข์แห่งสังสารวัตใครเล่าจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกแห่งตนอุปมาเหมือนบุรุษสตรีผู้รวมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่งและต่างคนต่างถือดุนไฟใหญ่อันไฟลุกโผล่อยู่ทั่วแล้วต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนร้อน ภิกษุทั้งหลายครานั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดร้องบอกให้ทุกๆคนทิ้งดุนไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุนไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือดุนไฟพร้อมด้วยร้องตะโกนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุนไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วยดุนไฟที่กล่าวถึงนี้คือกิเลสทั้งมวล อันเป็นสิ่งที่เผาลนสัตว์ให้เล่าร้อนกระวนกระวายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมรมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะใดๆ ที่จะครอบงามรัดจึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและผดทภพะแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทภพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดจึงใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและผดทัพะแห่งบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามาคุณ น, นี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งบานเป็นพวงดอกไม้แห่งมาน เป็นกําลังพลแห่งมารภิกษุผู้ปรารถนาจะประหารมารพึงสลัดเหยื่อแห่งมารขยี้พวงดอกไม้แห่งมารและทําลายกําลังพลแห่งมารเสียภิกษุทั้งหลายเราเคยเยาะเย้ยกามคุณณโพธิมณฑลในวันที่เราตัดสร้นั้นเองว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดั่งดิคํานึงถึงนั้นเองเราจะไม่ดั่งดิถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้กามเอ่ย จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนขัดแว่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึงพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนให้เป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนตัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจิตนี้คอยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามมกุณเหมือนปลาซึ่งเกิดในน้าถูกในพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้าแล้ว คอยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอาลัยในกรรมคุณให้ละบ่วงบานเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสาหรับเหนี่ยวรังช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจ บุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสันเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถออย่าเป็นผู้แพ้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำคือนินทาสรรเสริญนั้นเป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่งภิกษุทั้งหลาย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 ก็เพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถปิดบูรเหตุแห่งการทะเลาะวิวาสเสียได้คุณธรรมทั้งบุญมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงาม แก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายเมตตากรุณาเป็นพร อ, นอันประเสริฐในตัวมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเคฤหะผู้ยังบริโภคกามเกียรติครั้นหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยมิได้พิจารณาโดยรอบคอบถี่ท่วนเสียก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จพวกนี้ไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลาย กรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายังดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยเสตรีล้วนแต่สะครานตาเป็นที่น่าปรารถนาของบุรุษเพศผู้ตัดอะไรในบ่วงกรร ม, มิได้แต่เราเบื่อหน่ายในโลกิยะวิสัย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 ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งบานทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์มานและธิดามานคือนางตันหานางราคะและนางอรดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใยดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมานอย่างเด็ดขาดจนมีนามกล้องโลกว่า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 เด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะห่วงเหนียวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจนั้นเป็นเรื่องทรมานยิ่งและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัย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 ซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกี่ยวคลื่นในมหาสมุทรเชนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบาังบัญญัติจากสูตรนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายหน้าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่ แม้จะร่าเริงแจม่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวก็ไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทาที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นควรเว้นเสียเพราะฉะนั้น แม้จะประสบความทุกข์ยากลําบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติภายหลังแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวช ด, ด้วยแล้วจําเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติ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 คือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าศึกต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันกินใจยิ่งมาแล้วมิใช่หรือบุคคลร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคนบุคคลพันคนหาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคนบุคคลแสนคนหาคนพูดความจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบว่าจะหาในบุคคลจำนวนเท่าไหร่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 พึ่งสั่งสมกลยาณกรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายเพได้บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และนอกน้าคดูก่อนพิกิตรทั้งหลายเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วาดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดคนในโลกนี้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 ผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐ ด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตระหนีลาบเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาที่ตระหนีไม่ยอมหว่านพันุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หวานลงแล้วหนึ่งเมล็ด ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่บุคคลทําแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้ส้อยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนกชื่อไมฮะกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆ มาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมูนกเหล่าอื่นที่บินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมฮะ ก, กะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุก มัวเฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปสุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากลายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใคร เหมือนสะโบก ข, ขอรอนีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตัวนีก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วยอมบารุงบารดาบิดดาบุรภรรยาเ่าไพรให้เป็นสุขบารุงสมณพรมามจารให้เป็นสุข เรียบเสมือนสระโบกขอรณีอันอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการพวกกระทัของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายยัญญะสัมปทาหรือทานจะมีผลมากอันนิสงภายสารถ้าประกอบด้วยองค์หกล่าวคือหนึ่งก่อนให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 บุคคลควรจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นในคณะนั้นพระองค์ถามตอไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากเราสถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากแล้วล่ะก็ควรจะให้ทานในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่สถานที่ทำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนา เจตนาและทายาทานของทายกเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชท่านเนื้อนาดีคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกรอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทายาทานของทายกบริสุทธิ์ท่านนั้นย่อมมีผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทําบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลน้อยมีธรรมน้อยก็ฉันนั้นคือย่อมได้บุญน้อย ส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลดีมีทำงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำที่ไหลลงทีละหยดยังทำให้แม่น้ำเต็มได้ฉันใดการสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปรไปด้วยบาป ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือมิใช่เพื่ออนิสง์ลาบสักการะและความสรรเสริญมิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระคือความสำรวมเพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนนิโรธะคือความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงดูกายอันนี้เถิดฟันหักผมงอหนังเหี่ยวเหี่ยวยันยานมีอาการสุดโสมให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนเควียนที่ชำรุดแล้วชำรุดอีกได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ปูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าไหร่การแตกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดอย่าคิดถึงสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้แตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงดูกายอันเปื่อยเน่านี้เถิดมันอาดูนไม่สะอาดมีสิ่งโสกรปรรกไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปรารถนายิ่งนักของผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้ภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ไม่นานนักหรอกคงจะนอนทับถมแผ่นดิน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 ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมะตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงปฏิบัติโดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมากักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหรันดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยังหมั่นประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเคารพในสิกขาบทบัญญัติ ยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมาจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่าน ไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคุกคลีด้วยหมูคณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่ครบมิตรเลวไม่หยุดความเพียนพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทำตาม เหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่หากลิ่นไม่ได้แต่ว่าจาสุภาสิจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทาตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยมีสันฐานงามและมีกลิ่นหอมภิกษุทั้งหลายทำที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอนิสงภ a ยสารแก่ผู้ไม่ทำตามโดยเคารพแต่จะมีผลมากมีอนิสงภ a ยสารแก่ผู้ซึ่งประทาโดยนัยะตรงกันข้าม มีการฟังโดยเคารพเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัส ก, กับพระอานุนว่ามาเถิดอานนุ์เราจะไปกุศินารานครด้วยกันพระอนนรับพุทธบัญชาแล้วประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วเดินจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุศินารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มพึกใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอนุ์ปูผ้าสังขาติทาเป็นสีชั้นอนุ์ เราเน็ดเหนื่อยเลือกเกินอาภาษฎก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูราดสังคาติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำดื่มพอแก้กระหายพระเจ้าข้าพระอ น, นุทูลเกลียนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านลำน้ำไปสักครู่นี้เองน้ำยังขุ่นอยู่ไม่สมควรที่พระองค์จะดื่มขอพระองค์ไปดื่มณนะแม่น้ำกากูทานทีเถิดมีน้าใสจืดสนิทเย็นดีอย่าเลยอ น, นุ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 พอท่านทําท่าจะตักน้ําขึ้นมาเท่านั้นน้ําซึ่งมีสีขุ่นขาวพ ร, รอยขีดและโคก็ปรากฏเป็นน้ําใสสะอาดเหมือนกระจกเงาท่านจึงตักน้ํานั้นมาแล้วรีบเดินกลับน้อมบาดน้ําเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงดื่มด้วยความกระหายพระอ น, นุมองดูด้วยความชื่นชมในพุทธบารมีแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าอัศจรรย์จริงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏ ได้มีได้ปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้แล้วท่านก็เล่าเรื่องน้ำที่ขุ่นกลับใสสะอาดโดยฉับพลันให้พระผู้มีพระภาคสดับพระจอม บ, บุญีคงประทับสงบนิ่งด้วยการแห่งผู้เจนจบและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปาวาประทับนสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรแห่งนายช่างทอง ในจุนทะทูลอาราธนาพระพุทธองค์รับพัตตาหารณบ้านของตนแล้วจัดแจงขาธนญญาผูชนิยาหารอย่างประณีตรุ่งขึ้นได้เวลาแล้วอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดทัศนาการเห็นสุกรมัถวะอาหารชนิดหนึ่งซึ่งย่อยยากจึงรับสั่งให้ถวายแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวมิให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสีย สูกรมัทวะให้ผลในทันทีอาการประชวนของพระองค์ซุดหนักลงอย่างน่าวิตกมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสูกุสินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุสินาราราชธานีแห่งมัลลกษัตริย์ณใต้ร่มพฤกใบหนาแห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมัลลกษัตริย์นามว่าปุกุสระ เคยเป็นสิทธิ์ของอาราดาบทกาลั ม, มโคตรเดินทางจากกุศินาราเพื่อไปอยังปาวานนครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเรื่อมใสจึงน้อมนำผ้าคู่งามซึ่งมีสีเหลืองทองสิงขีเข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายแก่พระองค์ผืนหนึ่งแก่พระอนนท์ผืนหนึ่งพระอนนท์เห็นว่าผ้านั้นไม่สมควรแก่ตนจึงน้อมนาผ้านั้นเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคอีกผืนหนึ่ง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 บัดนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุถึง8ปดสิบแล้วอยู่ในวัยชาราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงพระประชวนหนักร่างกายเป็นผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุชะไหนผิวพันธ์ของพระองค์จึงผุดผ่องยิ่งนักอานนท์พระศาสดาตรัสตอบเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้ในคราวจะตัสะรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะนิพพานอีกคราวหนึ่ง ผิวพันธ์แห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุลรัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัดสดงดูก่อนอานน์ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ตถาคตจะต้องปรินิพพานในระหว่างต้นสาระทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้ามาหากันมีใบใหญ่หนามีดอกเป็นช่อชั้นตรัส ด, ดังนั้นแล้วจึงเสด็จนาพระอ น, นุ์ไปสู่ฝั่งน้ํากกุธานาทีเสด็จลงสงสําราตามพระพุทธอัธยาศัย แล้วเสด็จขึ้นจากกุกุทานทีไปประทับณอัมพวันรับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรปูลาดสังคาติเป็นสี่ชั้นแล้วบรรทมด้วยสีหาัสาัยยาคือตะแคงขวาเอาพระหัตรองรับพระเศียรซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสัมปชัญญะตั้งพระไทยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้าขณะนั้นเองความปริมิตกถึงนายจุนทะผู้ถวายสุกรมัทวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระ อ, อนอนท์ว่า อานอนเมื่อเรานิพพานไปแล้วอาจมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษจนเป็นเหตุให้เราปรินิพพานหรือมิฉะนั้นจุนทะอาจจะเกิดวิปติสารเดือดร้อนใจตัวเองว่าเพราะเถวยสุกรมัทวะอันตนถวายแล้วพระตถาคตเจ้าจึงนิพพานดูก่อนอานอน n บินทบาททานที่มีอนิสง์มากมีผลภัยสารมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายเราก่อนจะตดรู้ครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพานคือการดับกิเลสครั้งหลังนี้สเสวยอาหารของจุนทะบุดในช่างทองแล้วเราก็นิพานด้วยขันท่นนิพานคือดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึงตำหนิจุนทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจ เธอพึงกล่าวปลอบใจให้เขาคลายวิตกกังวลเสียอาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสําหรับเราครั้นแล้วถ้าผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอา น, นุ์เป็นปัจฉาสำ ม, มณะมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้ามแม่น้ำํำอิรัญยวดีถึงกรุงกุสินาราสเสด็จเข้าสู่สาลวโนทยานคืออุทยานซึ่งจะพลึบพลั่งด้วยต้นสาละรับสั่งให้พระอา น, นุ์จัดแท่นบรรทมระหว่างต้นสาละซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากัน ให้หันพระเสียไปทางทิศอุดอรครั้งนั้นมีบุคคลเป็นจํานวนมากจากสารทิตต่างๆเดินทางมาเพื่อเฝ้าพระพุทธสริระเป็นปัดชิมมาการแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมณะทรงเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้วจึงตรัสกับพระ อ, อ น, นุนเป็นเชิงปรารบว่าอานน์พุทธบริษัททั้ง4ี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ทำสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิทเช่นดอกไม้ทูปเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่อานอนท์เอยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งปฏิบัติธรรมอันเหมาะสมผู้นั้นแหละชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมพระอนอนทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลาย ต่างพากันเดินทางมาจากที่สารุทิศเพื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาทจากพระองค์วันนี้พระองค์จะปรินิพพานเสียแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปาที่ใดอานนท์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูดแล้วคือลุมพินีวันสถานสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือป่าอิสิปตนามิคัายะแขวงเมืองพารณาณนาสี สถานที่ที่เราตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความรู้อันประเสรศิฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและสถานที่ที่เราจะรินิพพานนบัดนี้คือป่าไม้สาละ น, านครกุสินาราอานอนท์เอยสถานที่ทั้ง4ีแห่งนี้เป็นสังเวชนิยสถานสารานิยสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยพระบาทแห่งเรา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในพรหมจรรย์ น, นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระาราตนตรัยบ้างภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานน o ์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั้นเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าค่ะพระอ น, นุทูลสัก ถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดีพระศาสดาตรัสตอบถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข่าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดีสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจให้เรียบร้อยอย่าให้ความกํำลัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงําจิตใจได้อานนท์เรากล่าวว่า สตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นเป็นมนฑินของพรหมจรรย์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวเล่าพระเจ้าค่าจะเป็นมนทินของพรหมจรรย์หรือไม่ไม่เป็นสิอานนท์เธอระลึกได้อยู่หรือเราเคยพูดไว้ว่าอารมณ์อันวิจิตสิ่งสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดําริตัางหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อกระชากความพอใจออกเสียได้แล้ว สิ่งวิจิตสวยงามก็อยู่อย่างเกอเกอร์ทาผิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพระนอนุลก็พลอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนท่านจะตรึกตรองพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้ความเงียบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระนอนุลก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสรีระอย่างไรอย่าเลยอานุน์พระาศาสดาทรงห้าม เธออย่ากังวลกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มครองตนด้วยดีจงพยายามทำความเพียรเผาบาปให้ราร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเถิดสำหรับเรื่องสรีระของเราเป็นหน้าที่ของครือขันที่จะพึงทำกันกษัตริย์พระมฯและขหาพดีเป็นจำนวนมากที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาจักทำกันเองเรียบร้อยพระเจ้าข่าพระอ น, นุทูลเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของครือขันก็จริงอยู่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 ซึ่งเต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมนาน า, นานชนิดแล้วถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเชิญพระอธิธาแห่งพระเจ้าจากักรพรรดนั้นไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้ณนาทางสีแพร่งและสรีระแห่งตาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจกได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลานานและแล้วพระพุทธองค์ทรงสแสดงถูปาระหะบุคคล คือบุคคลผู้ควรบรรจุอัติธาต์ไว้ในพระสถูปสี่จำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิตรัสแล้วบรรทมนิ่งอยู่พระอ น, นุทิออยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่สงัดเงียบแห่งหนึ่งน้ําตาไหลพรากจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ ท่านมีอายุอยู่ในวัยชารานับได้80แล้วเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปสมบทมานานถึง44พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ถ้าไม่มีเรื่องสะเทือนใจอย่างแรงคงจะไม่เศร้าโศกปริเทวนาการถึงเพียงนี้ท่านรู้สึกสะเทือนใจและ ว, ว้าเหวอย่างยิ่ง เป็นเวลานานเหลือเกินที่ท่านรับใช้พระศาสดาได้ทำหน้าที่พุทธอุปถาและเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยโอพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงคร่าครวญออกมากับเสียงสะอื้นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจากไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาจุดห่วงมหนันต์น มาด่วนจากข้าพระองค์ทั้งๆ ท, ที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นพี่เลี้ยงก็มีอันพัดพรากจากไปข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอ น, นุลร่ำครวญอย่างน่าสงสารเมื่อพระอ น, นหายไปนานผิดปกติพระาศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย อ, อนลหายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่โคนต้นไม้นนพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอนุนมณีเถิดพระศาสดาตรัสสัง่งพระนลเข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ำตาพระศาสดาตรัสปลอบใจว่าอ น, อนุนอย่าคร่ำควรวญนักเลยเราเคยบอกไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็าตามไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเลยสิ่งทั้งหลาย มีการเกิดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาเป็นที่สุดไม่มีอะไรยับยั้งต้านทานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นประดุจดวงตะวันพระนนทูลด้วยเสียงสะอื้นน้อยๆข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายาต่อไปนี้ข้าพระองค์จะพึงติดตามผู้ใดเล่าจะพึงตั้งน้ำใช้น้ำเสวยเพื่อผู้ใดจะพึงปัดขวาดเสนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใด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 กิจอันใดที่ควรทำแก่ตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถิดเมื่อเราล่วงนับไปแล้วเธอจะต้องประสบอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าตรัสดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้แล้วทรงสรรเสริญพระ อ, อนนท์เป็นเอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลาย อ, อนนท์เป็นบัณฑิต เป็นผู้รอบรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระอระหันตสตัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งมีภิกษุเป็นผู้อุปถากนั้นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานนท์อนนท์เป็นผู้ดำเนินกิจด้วยปัญญารู้การที่ควรและไม่ควรรู้การที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มาเฝ้าเราว่าการนี้สำหรับกษัตริย์การนี้สำหรับประชาชนมหาอวมัดการนี้สำหรับคนทั่วไปควรได้รับการยกย่องนานาประการ มีคุณธรรมน่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยสนทนาก็อยากเห็นอยากสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของอานน์เมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อานน์แสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรสภิกษุทั้งหลายอานน์เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่งพระอานนนผู้มีความห่วงใยในพระศาสดาไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ยังเศ ร, ร้าอยู่ว่าพระองค์ผู้เจริญ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 กษัตริย์พรามเศรษฐีกหัาบดีและชาวนครทุกชั้นที่เลื่อมใสในพระองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทํามหาส ก, การะแดสรีระแห่งพระองค์เป็นมโหฬารควรแก่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรัฐในโลกอานน์เธอจะกล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไป เราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานอนท์เอย๋ยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชเครืมหานครนเมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียงหาคน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 เป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์นิกรเกลื่อนกลนพรั่งพร้อมด้วยทันยาหารมีรมนิยสถานที่บันเทิงจิตประดุดังราชธานีแห่งทิพยนครกุสาวดีราชธานีนั้นตึกก้องนฤุนา่ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิประการคือเสียงคชาสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงผินเสียงขับร้องเสียงกลางสดานเสียงสัง รวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสําราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จกกักพัทเล่าก็ทรงเป็นอิสราธิบดีในปัตภีมณฑนทรงชำนะปัจจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและศาสตราชนบทสงบปราบคราบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดาและบุตรธิดามีความอิ่มอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากริ่มสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานี แห่งพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งอานน์เอยเมื่อมองมาทางธรรมให้เกิดสังเวชสรดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนรุ่งไปสู่จุดสลายตัวอานนลตรงดูเถิดพระเจ้าจากักรพรรดิมหาสุทัศนะก็สิ้นพระชนไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันไปหมดแล้วนี่แลไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืน สถาคตเองก็จะปรินิพานในไม่ช้านี้แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอ น, นุ์ไปแจ้งข่าวปรินิพานแก่มรรคกษัตริ์ว่าพระสถาคตเจ้าจากปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมรลคกษัตริ์ผู้ครองนครกุศินาราสดับข่าวนี้ต่างก็กำสดโศกาดูนทุกทมนัฑทัพทวีสยายพระเกสายกพระพาหาทั้งสองขึ้น แล้วคร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไกรรำพันถึงพระโลกนาฏว่าพระโลกนาฏด่วนปรินิพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุลสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลงด้วยอาการโศกาดูลดังนี้มรรกษัตริย์ตามพระอ น, นุลไปเฝ้าพระา ศ, าาศาสดาณสาลวโนทยานพระอ น, นุลจัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันธาคารคืนนั้น มันลกักษย์ประชุมกันอยู่จนสว่างไม่ได้บรรทมเลยถ้ากลางบรรยากาศดังกล่านี้นักบวชปริพาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนขอเข้าเฝ้าพระาศาสดาพระอนลได้สดับสำเนียงนั้นจึงออกมารับและขอร้องวิงบอนว่าอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอา น, นุปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าไเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า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 ขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาเถิดพระอนุนคงทัดทานอย่างเดิมและสุพัฒก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมย่อท้อจนกระทั่งได้ยินพระศ า, าสดาพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอนุ์ว่าอนุน์ให้สุพัฒเข้ามาหาตถาคตเถิดเพียงเท่านี้สุพัฒปริพาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสง เขากราบลงใกล้แท่นบรรทมและทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์นามว่าสุพัท ธ, ธะถือเพศเป็นปริพาชกมาไม่นานได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันธปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนีทูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุพัทะพระศาสดาตรัส พระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปุรณกัสสปะมัคคิริโคสารอชิตาเกตกรมพลปกุทธกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนนาตบุตรเป็นาศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพบูชามากาศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพระอรหันต์บทอิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุภะะที่เธอดิ้นรนขนขวายมหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวด พระศาสดาตรัสทั้งยังหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข่าสุพัทธ์ทูลพระอ น, นุนรู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุภัทธ์มารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินขณะที่พระอ น, นุนจะเชิญสุภัทธ์ออกจากที่เฝ้านั้นเองพระศาสดาก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุพัทธ์เวลาของเราและของเธอเหลือน้อยเต็มทีแล้ว จงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิดข้าแต่ท่านส ม, มณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่ส ม, มณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุภะทะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคมีองแปดส ม, มณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้น สังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุพัท ธ, ธะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าค่าสุพัท ธ, ธ์ทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนณาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุพัท ธ, ธะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุพัท ธ, ธะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงทาให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุัทะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางอันประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมะตะดูก่อนสุพัทธะถ้าภิกษุหรือใครก็ตามจะพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์สุพัทธะฟังพระพุทธดำํำรดนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรปชาอุปสมบท พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในาศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในาศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติทยะปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสี่เดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้สุภัททะทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสักสี่ปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภัทะดังนั้น จึงรับสั่งให้พระอนุนนำสุพัท ธ, ธะไปบรญภาชาอุปสมบทพระอนุนรับพุทธบัญชาแล้วนำสุพัท ธ, ธะไปหน้าที่ส่วนหนึ่งปลงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีลสําเร็จเป็นสัมมเนนบรญภาชาแล้วนํามาเฝ้าพระาศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุพัท ธ, ธะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่ง สุพัทธภิกษุใหม่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอรัตผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวโนทยานบัดนี้ร่างกายของสุพัทธภิกษุห่อหุ้มด้วยผ้ากาสาวะัตเมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอาัมภัยมัชฌิมยามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีกรมโต ย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกสุภัทภภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมพยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อดเทอแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อคู่นี้ดูจะอับรัศมีรงสุพัทภภิกษุแงงหน้าขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนัก เมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมศสาสองลงมาสว่างดวงดังเดิมทันใดนั้นแสงสว่างแห่งปัญญาก็พุ่งโผล่ขึ้นในดวงใจของสุพัทธะทิสุเพราะนำดวงใจเปรียบเทียบกับดวงจันทร์จิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรศมีเหมือนดวงจันทร์แต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงและแล้ววิปัสนาปัญญา ก็โลงขึ้นช้ำแรกกิเลสแทงทะลุบาปทรรมทั้งมวลที่ห่อหุ้มดวงจิตแวกอาวิชาและโมหะอันเป็นประดุดตาข่ายด้วยสัตว์าคือวิปัสนาญาณชํำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะทั้งมวลบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลาบาทแห่งพระศาสดาแล้วนิ่งอยู่ภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาค บันทมเยียดพระวรกายในท่าศีหะสัยยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลว้างออกไปสุดาสายตาประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆ ก, ก็ปานกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุ์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีาศาสดาแล้วจะพึงว่าเวไร้ที่พึ่งอา น, นุ์เอ่ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยันนั้นจงเป็นศาสดราของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอ น, นุไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณทีน่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมัก หรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศ า, าสดาแล้วไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปริณิพานมนทนสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดารัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ พละกกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปไม่ได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโล ก, กนาดก็ยังประทานปัดชิ ม, มโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมันไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจัน์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสาสองผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาวาสะจากเมฆบอกรัชนีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่งแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสรวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอาลัย ในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธะเทระซึ่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเนตรทางทิพยจักสุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุตถาฌานออกจากจตุตถาฌานแล้ว เข้าสู่อรูปปัสมาบัติคืออากาศานัญจาญตนะวิญญาณัญจาญาตนะอากิจัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตะนิโรธตามลําดับแล้วถอยออกมาจากสัญญาเวทยิตะนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตถาฌานอีกเมื่อออกจากจตุตถาฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาศานัญจาญตนะ พระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระพุทธองค์ก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่มสอนมาตลอดพระชนมช์ชาติว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองนึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลย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 นิโคราธารามโคสิตารามเศรษฐีกหับบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพัตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคงจะไมไ่รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงปานนี้เมื่อส5สปีมาแล้วภายใต้โพธิพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรันทราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกาจัดกิเลสและความมืดให้หมดไป และบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งบัรชิมบยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาบุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสาเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศิลขัน์อันบริสุทธ์ด้วยอาการทั้งปวงถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศ ด, ด้วยบุญ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 ก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเสียนีก่กระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ประสาทแห่งกษัตริยาที่ราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างส ง, งาา่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับการก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพระยาบัตรุราชนี้ เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและกอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันร้อนด้วยกลิ่นทุ่ควันเถียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกประชาติให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของท่านเมื่อมาถึงจุดนี้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 มีน้ำพระไัยใสบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระไถยหนักแน่นดุดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์คนขนวายเพื่อความสงบร่อบเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุดพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปริณีพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โดยปลายธรรมรัตน ประหนึ่งม้ากแก้วแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพาหนะนําเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอพระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุกนกในเวหาไร้โพรหรือใสที่จะจับเกาะประดุกเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเหวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเหมือนพระองค์แม้พระอนุพุทธอนุชาเอง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 灭亡。